ถ้าทำอเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่17โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัออดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่10ม ก, กราคม2558มีชื่อเรื่องว่าความอิจฉาพาให้ตกเอเวจี <_ conver ged> หลวงพ่อจะปารบเรื่องงานวันพรุ่งนี้ให้กับคณะาญญาจตหายาจงฟังอีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่11ตรงกับวันอาทิตย์11มกราคม58เมื่อพวกเราตอนเช้าบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายพระตาหารพระสงฆ์เมื่อถวายพระตาหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพวกเราก็ได้พระสงฆ์อนุมันาให้พร พวกเราก็รับทานอาหารตามมัธยาศใสแต่หลวงปู่บุญมีนะหลวงปู่บุญมีปริบุญโญพี่ชายใหญ่ของพวกเราวัดป่านาคูลท่านก็จะมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้นะคะนะานตะตาทยญาติโยมลูกหลานพวกเรานานจะได้เห็นองค์ท่านนะท่านจะได้มาร่วมงานตอนฉันจังหารเสร็จเดี๋ยวนี้ท่านพักอยู่ที่สมุทรสาครสงครามวัดมหาชัยนะ ท่านก็จะได้มาร่วมงานเมื่อทานอาหารพวกเราฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเก้าโมงแต่อัตมาเองก็ได้กราบรัตนาท่านเหมือนกันท่านบอกว่าผมไม่สะดวกท่านจะฉันจังหันชะกอนท่านจึิงจะมานี่แหละคณะจัทวาเจ้าโจมลูกหลานทุกคนได้มาร่วมงานและกัวันวันพรุ่งนี้เมื่อท่านองค์หลวงปู่ท่านมาเป็นประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้เจริญพระพุทธมนตร จากนั้นพวกเราก็จะได้เตรียมวิธีเททองนถ้าใครมีสิ่งที่จะเอามาร่วมสมทบเททองจบเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ออกมาได้จากนั้นเราก็จะได้รวมกันจากนั้นจะได้สวด อ, อิติปิโสจากนั้นจะได้สวดชัยยมงคลคาถาตอนที่เททอง หลวงปู่ท่านก็จะได้เป็นประธานในการเททองเจ้าพระคุณสมเด็จพวกลูกหลานคณะสัทธธายาจติโยมทุกหมู่ทุกคนสวดอิติปิโสพร้อมกันก้าวจบมั่กสี่ผลสนิพพานหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเหมือนกับคราวที่แล้วนี่แหละแต่ว่าคณะสัตายาจติโยมเมื่อมาเมื่อคราวที่แล้วก็จะได้เห็นว่าการกล่อล้อม กายวาจาใจของพวกเรานามใจของลูกหลานทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อบูชาพระคุณให้เป็นพลังบูชาพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชวันพรุ่งนี้นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่เมื่อเกณนี่พวกเราได้สวดมนต์สวดมนต์บทหนึ่งที่หลวงพ่อบุดสวดเป็นข้างต้นอ อย่างกินชีวิตต่างอิตวาหุรังวาเนี่ยหลวงพ่อได้สวดเอออันนี้เป็นสวดพระปริตานาะลูกหลานเนะถ้าใครสวดได้ก็สวดถ้าใครสวดไม่ได้ก็นั่งปน ม, มือฟังอันนี้ก็คือสวดพระปริตมงคลสมัยหนึ่ง เ, ออเมืองภัยสาลีเกิดภัยวิบัติอย่างรุนแรงแต่อยู่ใกล้อยู่ติดเมืองกรุงกรุงราชคั์นะ กรุงราชคฤห์เนี่ยก็คือกับกรุงไพราลีเนี่ยติดกันแต่อยู่ในระหว่างขั้นแม่น้ำนะมันมีแม่น้ำขวางกั้นอยู่แม่น้ำหนึ่งแต่เมื่อพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านมหาลีอยู่ที่เมืองไพราลีและกับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเพื่อนกัน ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็าได้สําเร็จพระโสดาบันด้วยกันาจากนั้นเมื่อต่อมาพระองค์ได้เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชสกุลนะกับพระเจ้าพิมพิสารคนทั้งหลายก็ น, นับถือเลื่อมใสเพราะพระเจ้าเป็นดินภาคปฏิบัติธรรมตอนนั้นต่อมาเมืองพิษาลีเนี่ยเมืองเวสาลาสาีตะพิษาลีเนี่ยเกิดภัยวิบัติคือเป็นโรค ทุกวันนี้ก็คงจะเป็นโรคไตหานะ่โาโรคอหฮิวาตะกโรคเนี่ยคนตายเยอะตนตายเป็นบือ่อเราอยู่ในเมืองนั่นนะแต่นี้เขาก็ประชุมหารือกันว่าเราจะเอาหมอผีหมอดูหมอเราหมออะไรมาปราบนะทวนที่ถือแต่ท่านมหาลีเนี่ยท่านก็บอกต้อง อาศัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพอนุภาพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละมาคุ้มครงองเดี๋ยวจะไปพูดขอกับพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระเจ้าพิมพิสารดูแลพระพุทธเจ้าอยู่ก็ต้องม า, าพูดคุยกับเจ้าเมืองกรุงราชคฤห์ก่อนทนีนีมหาลีนี่กัส่งราชทูตมาเองเมากราบ มามาพูดกับพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าโอ้เมืองไัยซาลีของข้าเนี่ยเกิดภัยวิบัติคนตายเป็นบือไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อแต่ที่แรกก็คือเป็นปน ป, นป่วยไข้อ่เป็นนี่แหละหลงท้องพวกอะฮิวาตะกโรคเนี่น่ละพวกโรคระบาดพอคนตายเข้าไปเนี่ะพวกอับมนุษย์เยนี่ยที่พวกเรามองไม่เห็นเน่มันมีนะข้าัาเจ้าโจมลูกหลานนะ ไอ้พวกผีไงพวกผีปอบผีหาผีอะไรก็ไม่รู้อะพวกแต่ในตำราเราว่าอมนุษย์คือที่พวกเรามองไม่เห็นมันมาซ้ามาเติมพวกอีกคนป่วยขนาดใดขนาดหนึ่งมันเข้ามาเยียบมาทำร้ายทำร้ายมากินคนอีกต่างหากลักษณะอย่างนั้นอ่ะมันมีเยอะขึ้นมาเลยท่นี่เพรพวกอมนุษย์เขามาซ้ําเติมเลยแต่เดกคนก็ตายพราะเจ็บหัวปวดไข้ต้องตายเอาตายเอาท เ, าเนี่ เออทีนี้ก็ทวนมหาลีกับพวกฤทธิศกีทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยตับตกแต่ง <c oughs> คนเข้ามามากราบพระพุทธเจ้ามาขอพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็กราบพูนพระพุทธองค์พระพองค์ก็เออควรจะไปโปรดเขานะจากนั้นพ ร, ระเจ้าพระพุทธองค์ก็เลยรับปากว่าจะไปเมืองเอวสาลีอย่างที่ว่า พระองค์พระเจ้าพิมิสานก็เตรียมทางทนี่ปรับถนนไปไปจนถึงแม่น้ำพอไปถึงแม่น้ำเท่นี้ก่อนทำทางเกียรซ้ายยางที่พระว่าิทำชดออกสุดใจน่ะเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์0 0าร้อที่ไปในคราวนั้นก็โปรยดอกไม้นานาพันนานาชนิด ตามถนนโขนทางประดบตกตกแต่งเหมือนกับสวงสวรรค์ที่เดียวแหละเอ่อแบ า, าทำให้ชดอกชดใจหลังจากนั้นก็นําพระพุทธองค์ไปกับพระสงฆ์ไปทําเป็นแพเป็นเรือจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโดนเดินลงไปส่งพระพุทธเจ้านะ่ะพระพุทธเจ้ากนขึ้นนั่งเรือเสร็จแล้วพนะระเจ้าพิมพิสารก็เดินลงไปส่งจนถึงน้ําจนถึงเพียงขอนะ ในข น, นาดนั้นด้ความเคารพนะพระเจ้าแผ่นดินเคารพพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้กคณะสัตายาญาติโยมนะเดินลงไปถึงแม่น้ําเพียงคอแต่ก็เดินกลับจากนั้นเรือก็เดินไปทางนู้นก็มาคอยรับอีกเหมือนกันแต่ทางพระเจ้าแผ่นดินทางนู้นทางนิสวีมาเดินคอยรับพระพุทธเจ้าน้ําเพียงคออีกเหมือนกันฮะจากนั้นก็นําเรือเข้าไปสู่ฝั่งทางนู้นก็ประดับตกแตง่งซะโอ้ไม่แพ้ทางนี้เหมือนกันแต่ เอาซายเกลียเสร็จแล้วก็ดอกไม้ปูประดับตกแตง่งขอบข้างถนนไปว่าสวยงาม เ, าเพื่อบูชาพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์พอไปถึงในเมืองก็กตั้งปรามตั้งปรามขึ้นมาแล้วก็พระพุทธองค์ก็บอกว่าอนนต์นี่มาเรียนพระคาถาเนี่ยพระคาถาเนี่นยนะยงจินติวิตตังอิทวาหุรังวาสกเกชวายัางรัตะนังปณิตังเนี่ย นี่แหละอันนี้ก็คือสวดพระปริตตพอพระอานนท์สวดเรียนจบไรแล้วนะเพราะเป็นภาษาของท่านเลยแต่ก็เรียนจบเร็วเชีวพอพระพุทธองค์บอกให้ท่านั้นท่านก็จําได้จําได้เหมือนกับเราบอกไอ้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพอเราก็จําได้เพราะเป็นภาษาเดียวกันนะ เ, นเมื่อท่านได้คาถาจะได้พระพุทธองค์เอาประทานประทานบาตรให้ท่านบาตรของพระพุทธเจ้าเองนะ พอประทานบาตรให้เท่านั้นแหละแต่เด้กเอาน้ำใส่พอน้ำใส่แล้วก็พระพระพระนุลก็สวดนะพระพุทธองค์ก็สวดแผ่เมตตาเนี่ยอยู่ทางนี้พระอานุลก็สวดไปด้วยปรพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปด้วยเนี่ยคือเหมือนกันน้ำขันเนี่ยพวกฤาษีหนุ่มทั้งหลายก็เป็นผู้ถือบาตรพระอานุ์ก็เป็นผู้ใส่น้ำมาประพรมน้ำพพุทธมนต์ไปเรื่ย ไอ้ไข่ข้าสบัดน้ำไปเรื่อยืยไอ้พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็แตกหนีหือออกไปทนี่ไปซ่อนอยู่ซอกมุมไหนถูกน้ำพระพุทธมนตของพระอานนท์แปลว่าอมนุษย์เหล่านั้นก็ล่าถอยหนีไปหมดคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคือขึ้นมาคิดว่าตายแน่นก็เฟื้นคขึ้นมาทุกคนก็แห่แหนกันมาตามหลังพระอานนท์ไปเป็นพวนเลยที พกหัวละแหงจากนั้นภัทยทั้งหลายเรื่องทั้งหลายเลยสงบสงบอยู่ในความสงบทั้งหมดบ้านเมืองเข้าสู่ปกติมีความสุขทวนหน้ากันฝนก็ตกลงมาอีกนะฝนก็ตกลงมาพอพระอานนุนประพรมน้ําพุทธมนเสร็จแล้วบ้านเมืองสงบแล้วฝนตกประมาณจนถึงเพียงเอวเพียงเขาเพียงเอวไหลพัด สากศพหนีออกจากเมืองล้างเมืองมาคับเถอะเทวดาล้างเมืองออจากนั้นก็บ้านเมืองก็สงบร่มเย็นเป็นสุขคืนปกติ น, ะนี่แหละอันนี้เนี่ยว่าพระพุทธองค์ได้เจริญพระพุทธมนต์พวกเราจึงเป็นพุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดตัวนั้นแหะเป็นมาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นการมีการที่ไหนพวกเราก็เจริญพระพุทธมนต์พระปริต ม, มงคล เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลเราน้อมนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปโปรดพวกเมืองเวสาลีภัยสาลีที่มีเกิดภัยวิบัติในครั้งนั้นแล้วก็ทางติดทบีทางเมืองนั้นเขาบอให้ความเคารพมาที่เมืองกรุงราชขึ้น อ, องค์เมื่อบ้านเมืองสงบทางนู้นแล้วองค์ก็กลับมา พระเจ้าพิมพิสารเขาลงไปรับอย่างเก่าเนะีจนถึงพระ เ, เพียงคอไปรับพระพุทธเจ้าอาค่อยจูงลากเรือขึ้นมาสู่ฝั่งพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามเลยโอ้การที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคนทั้งหลายบูชาเคารพนับถือเลื่อมใสเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมีความเห็นว่าอย่างไงนะพระสงฆ์ทั้งหลาย ผู้มีกิเลสถามกันนะนี่เหมือนกับพวกเราสงสัยอย่างนั้นอ่ะผมว่านี่พ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระกษัตริย์เป็นมหากษัตริย์เลยนะผู้ใดบอกว่ไม่ใช่หรอกมหากษัตริย์ก็ยังมีทั่วไปเขาก็เห็นไม่เห็นเคารพเหมือนเหมือนคราวนี้นี่อันนี้มันเกินไปจริงๆนะหนุ่ยเป็นพ่อพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าผมว่านะอพวกพระสงฆ์ถกเถียงกันแต่บางคนกับ คงไปใช่แล้วคงจะเหอกันเท่านั้นแหละคงจะเป็นลักษณะนั้นก็คงจะมีพอประสงค์ปุตุชนเลยใช่ไหมนานาจิตต่างนานาทัศนะเลยใช่ไหมแหมแค่แค่บอกความเห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระคันธกุฎีได้ยินได้ยินพระสงฆ์สนทนากันด้วยทิพโสตะแค่แค่ว่าหูทิพของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เดินลงมาฮะเจเดตลงมา พวกเธอพูดกันด้วยเรื่องอะไรพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าเพราะเหตุด้วยเหตุนี้พระเจ้าข่าเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่คนจะต้อนรับเสด็จถึงขนาดนี้พระเจ้าพิมพิสารก่อนที่จะส่งพระพุทธองค์ไปถึงแม่น้ำก็เถอะอันนี้ก็ปรับถนนหนทางเอาทรายมาเกลี่ยไม่ถึงกับชายมากไปเกลี่ยถนนพอเดินง่าย จานั่นก็โปอยด้วยดอกไม้ทั้งสองข้างกับประดับประดาเส้นสวยงามเอานับน้ำประพรมพเดินได้สะดวกสะดวกเขาทําด้วยจิตศรัทธาจริงๆเอออันนี้พวกผมพวกข้าพระองค์เลยบอกว่าพระพุทธองค์ได้เป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าเป็นดินพวกหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าคนยึงนับถือเลื่อมใสถึงขนาดนี้ออพอไปถึงทางโน้นอีกเมือง ไทสาลีนี่โอ้โหเขาก็ต้อนรับขับสู้ไม่แพ้เหมืองนี้เป็นสองทวีคูณอีกต่างหากเห็นแล้วน่ารื่มใจกับคณะสัทธาญาติโจมเขาเคารพสักการะในพุทธานุภาพในครั้งนี้พระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะอ น, นิสง์ของเราตถาค ต, ตในอดีตชาติอ น, นิสง์ทาน อันนี้สมประกอบคุณงามความดีความดีของเราตถาคตไม่ใช่ว่าเราตถาคตได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือคตถาคตได้เป็นพระเจ้าพิ ธ, ธไม่ใช่อันนี้เป็นอันนิสงของเราในอดีตชาติตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลถามว่าสมัยไหนพระเจ้าขาดถึงได้อันนิสง์ถึงขนาดนี้พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดอยู่ที่กรุง เ, เมืองตะกศีลา ทีเมืองตะกาศิลาทีนี้เราเรามีลูกชายที่ว่าสุสนะิมะสุสิมะกุมารเรามีลูกชายนิสัยดีมากนิสัยดเีเขาเข า, เขารับรักในพ่อพ่อก็รักในลูกแต่ทีนี้ลูกชายอยู่ที่เมืองตะกาศิลาอยากจะมาเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงพาราณสีมาพอมามาเรียนพาราณสีพ่อก็เลยบอกเออลูกพ่อนี่มีเพื่อนเพื่อนของพ่อมีอยู่คนหนึ่ง เขาเรียนเ ข, เขามีวิชาอย่างนี้นะให้ลูกไปถามหาเถอะไปาหาหมาบไปหาไอ้เพื่อนอสหายของพ่อนะ่ยอยู่ที่กรุงพาราณสีนะ่นนะ่ะเขามีชื่ออย่างนี้ให้ไปหาเขานะเน้อเขามีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังที่เป็นเพื่อนของพ่อไปห า, าไปหาเขาเนะเพื่อเรียนหนังสือนะอยากจะเรียนอะไรกับเขาก็เรียนกับเพื่อนของพ่อนะ่กไปเรียนเถอะนะ เ, เขาพร้อม ทังลูกชายก็ลาพ่อเสร็จแล้วก็กลับเขารขาลบคารวะพ่อเสร็จแล้วก็เดินทางมาถึงกรุงพาราณสีพอมาแล้วก็มาถามหาแล้วก็เจอจริงๆเป็นเป็นเพื่อนของพ่อนะจากนั้นก็เข้าไปเพื่อเพื่อเรียนวิ ช, ชาที่ต้องการตัวเองต้องการนะจากนั้นพ่อทางผู้เพื่อนของพ่อเนี่ยพ่อเซียวเนี่ยอเอรียว่า คุณพ่อที่ที่เป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยต้องต้องการเรียนอะไรศึกษาอะไรกุมมาเนี่ยก็บอกสุจิมะนี่ก็บอกกุมมาเนี่ยก็บอ ก, ก, บอกผมต้องการเรียนอย่างนี้ครับตั้งนั้นผลให้เขาคนเรียนให้วิทยเรียนเรียนวิชาไตาเวทเหรีองวิชาของพราหมณ์วิชาการบริหารจัดการวิชาไหนที่ต้องการเรียนพ่อเนี่ยพ่อ เพื่อไอพ่อคุณพ่อเนี่ก็สอนพ่อบุญธรรมเนี่ก็สอนให้หมดพอสอนไปแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นเทไงเรียนไปไม่เรีย น, ปนไยนปนอะไรก็ยิ่งกว่างไปเลยไม่มีที่ไม่จบมองไม่มองมอ ง, มองไม่เห็นปลายเพราะงั้นแต่มองเห็นแต่ต้นกับกลางเทไงกาลังเรียนอยู่ในคือเรียนอะไรแล้วก็เรียนที่ผ่านมาคือเรียนอะไรไอที่จุดจบของมันยังไม่มีก็เลยเข้าไปหาคุณพ่อครับ ผมเรียนวิชากับคุณพ่อมานี่เนี่ยนานลเลอแต่มันหามองหาที่จุดจบไม่ได้เห็นแต่ต้นต้นที่ว่าเรียนมาจากตไหนมาจากกอไกอ่จนมาถึงจุดนี้แต่ปลายมันอยู่ที่ไหนละพ่อทางผู้พ่อโมโอยผู้พ่อเนี่ยเหมือนกันนะลูกเลย เ, เรียนวิชามานถึงปานนี่แหละพ่อยังมองไม่เห็นจุดจบของวิชา มีเรีย น, ต, นตัวหนึ่งแล้วยังเรียนตัวหนึ่งเรียนตัวหนึ่งวิชาในโลกมันมันหาที่จุดจบไม่ได้นะลูกนะผู้ที่จะรู้จุดจบของวิชานี่คือมีลือสีนะมือมีลือสีอยู่ในป่าให้ลูกไปศึกษาเถะะถ้าลูกศึกษาเนี่ยลือสีเหล่านี้หละจะรู้จักวิธีจบจุดจบของวิชาเออลือสีอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะเขาจะรู้จักจุดจบของวิชาวิชา ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะรู้มีฤาษีกลุ่มเดียวเท่านั้ น, น, นที่จะรู้ได้เขาอยู่ในป่านี่ยชูชิมะนี่ก็เป็นผู้ไฝ่ในการศึกษาอยู่แล้ว เ, เนี่ก็เดินเข้าไปหาที่ไอ้ที่ที่พ่อเนี่ยพ่อเลี้ยงบอกเนี่ยก็เดินเข้าไปหาไปหาเขบไปกราบไปกราบฤาษีขึไปการปกาบพระประเจกพุทธเจ้า เ, เนี่ไม่ใช่ฤาษีธรรมดาหจอดฤาษีว่าไ ง, งเถิเป็นผู้เป็น รองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระปฏิเจกพุทธเจ้าเป็นผู้ได้จะตรูเ้เป็นพระอระหันยาแตกสัรในปฏิสัมพิทายานทุกอย่างรู้อดีตอนาคต เ, าเป็นพระอระหันต์แต่ได้าท่านาไปถามไปถามพระปฏิเจกพุทธเจ้าจุดจบของวิชาคือความรู้นี่อยู่ตรงไหนพระปฏิเจกพุทธเจ้าบอกว่าเอย ถ้าเธอไม่บวชก่อนวิชานี่สอนให้ไม่ได้หรอกถ้าเธอบวชจึงจะสอนให้ อ, อถ้าไม่บวชสอนให้ไม่ได้โอ้ทางนั้นกับผมเดี๋ย ว, ยวผมจะไปเอาบริขารก็เลยมาหาพ่อก็ได้บวชกว่าเนี่ยบวชก็คงจะบวชง่ายๆบวชพระประเจกแค่พอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพระประเจกก็สอน อ, อสอนวิ ช, ชาให้ทึเนี่ยออสอนวิ ช, ชาให้ก็คือนหะนให้พิจารณาอนิจังทุกขังอนาตาพิจารณาใจรักเนี่ย อย่างที่พระเจกที่ท่านได้ตัดรู้พอเสร็จแล้วท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระปัเจกพุทธเจ้าเลยออพอฟังได้เพราะท่านมีบา ร, รมีอยู่แล้วเนี่ยท่านสุติมารก็ได้บรรลุตัดรู้พระปเจสัมโพธิยานเอเป็นพุทธเจกเป็นปันเจกพรพุทธะเนี่ยอแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะรองจากพระพุทธเจ้าคือพระหรหันเนี่ยมีอยู่ พระพุทธเจ้าพระปัิเจพพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยนี่แหละมันมีอยู่สามนะออันนี้พระพระปัิเจนะเนี่ยเขาบอป็นตัสรู้เองนะโดยที่ว่าไม่ได้อพอเห็นสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็ปล่อยวางที่ใจแล้วสำเร็จเป็นพระปัิเจพพุทธเจ้ามากต่อมากแต่ในสุสีมะนี่หลวงพ่อก็แปลกเหมือนกันท่านได้ฟังทำคําสอนจากพระปัิเจ รุ่นที่ท่านได้ตัดรู้แล้วนะเพราะท่านได้ฟังท่านก็ได้สำเร็จอีกเพราะท่านเป็นผู้มีบา ร, รมีแก่กล้าจากนั้นท่านก็มาอยู่ในเมืองมาอยู่ไม่นานด้วยที่พระองค์พระประเจกองค์นี้ท่านก็คงจะได้สั่งสมบา ร, รมีมาชีวิตของท่านก็ไม่ยืนยาวบอกจากนั้นท่านก็ปรินิพานจะไม่ช่ว่าตายนะพระประเจกเขาบอกปรินิพานนะผู้ที่ได้สาเร็จเป็นพระรหานได้พระพุทธเจ้า ดับขันินิพานพระสาวกทั้งหลายปรินิพานพาาานิพา น, น, พาน อ, อนอุอนุปาที่เสสนิพานคือพระประเจกนะี้คือพระอรหันต์นะอันนี้พระประเจกก็นนี้แหละท่านปรินิพานพอท่านปรินิพานและพระสงฆ์ทางหลายพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพี่น้องประชาชนทอะไรก็เลยเผา ประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงประชุมเพลิงพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยเขาก็สร้างสถูปสถูปพระเจดีย์ไว้ในทางสีแพ้งให้คนได้กราบได้ไวาย น, นี่คือกระดูกผู้วิเศษกระดูกพระประเจกพุทธเจ้าใครได้กราบแล้วก็ระลึกถึงคุณงามความดีได้กราบไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ผู้ที่ได้กราบพระธาตุพระปเจกพุทธเจ้ากราบพระธาตุพุทธเจ้า กพาพธาตุพระรหันต์สาวกอย่างพระพุทธเจ้าของเราในยุคในยุคของขั้งพุทธการเหมือนกันถ้าพระสาวกองค์ใดได้สําเร็จเป็นพระรหันต์พระพุทธองค์บอกว่าให้ประชุมนะให้ประชุมเพลิงเพื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําอธิษฐานของท่านไปตั้งสธูปไปในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไว่ายเขาจะเขาเหล่านั้นจะไปสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเขากล้า พระาธาตุของพระอระหันต์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ท่านี้พระประเจกพุทธเจ้าองค์นั้นเมื่อท่านปรินิพานแล้วประชาชนทั้งหลายเขาก็ประชุมเพลิงพอประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เ, เขาก็นำํำทำเป็นเจดโทบขึ้นมาเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาท่านี้ทางพ่ออยู่ที่เมืองตะกัชิลาเนี่ย เออลูกของเราเนี่ยไปไหนยังไม่ทำไม่ไม่เห็นมาเนี่ยเพราะไม่มีวิทยุโทรทัศน์อย่างโทรศัพท์อย่างทุกวันนี้เนี่ยเออก่อนที่จะถามหาใครเนี่ยมันก็คงจะถามหายากเพราะลูกชายของเรากัไม่ใช่คนใหญ่คนโตนะเพื่อไปเรียนวิชาความรู้นแต่ดังนั้นเขาหายไปเราควรจะไปเยี่ยมลูกของเราเน่ยให้คาว่าลูกหม้อแก้วเรียงลูกหัวแก้วหม้ แ, มแหวนรัก อ, อยู่แล้วพ น, นิสยัยท่านดีอยู่แล้วเนี่ย เออถึงจากไปพ่อยังเป็นห่วงอยู่ในจิตในใจรักลูกพอมาทราบข่าวว่าเอ อ, เ อ, อลูกของผมชื่อสุชิมะฮะเป็นเด็กหนุ่มมาเรียนหนังสืออยู่กับนี่นหะ เ, เดี๋ยวนี้อยู่ไหนพวกพท่านทาั้งหลายพอรู้ไหมโอ้เออรู้ที่ลูกเนี่ยชื่อสุชิมะเนี่ย บวชได้เป็นพ่อประเจกพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่านได้ปรินิพานแล้วนี่พวกเราได้ไปชมเพลิงกันตรงนี้ละห่างแล้วก็ได้ตั้งสถูปขึ้นมาเนี่ยอพอพ่อได้ยินทนา น, นโอเอใครเขาเสียใจร้องห่มร้องไห้อย่างสุดเออหัวจิตหัวใจเลยไม่รู้จะทำยังไงผลที่สุดคือพราหมณ์เข้าไปที่ไหนเขาก็มีเต้าน้ำเต้าไปด้วยน้าเต่าน้าไปด้วย จากนั้นพราหมณ์เนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาไปกราบาไปกราบพระเจดีย์พอกราบเสร็จแล้วก็ได้เอาผ้ า, าผ้าคัมมาผ้าที่ไปด้วยไปเอาทรายไปหอบเอาทรายใส่ผ้าเสร็จแล้วก็มาร่อนให้ดีเลยกันเอามาเทปโปรโยรอบอพระเจดีย์ของลูกชา ย, ยพอเทปโปรโยรอบลูกชายเสร็จแล้วหาดอกไม้ป่าแถบแถวนั้นนะามาโปรโยรอบอีก แล้วก็เอาน้ำลดดิใครเข้าว่าทําจนสุดออกสุดใจของพ่อเนาะงั้นเถอะบูชา บ, บูชาพระธาตุพระประเจกพุทธเจ้าพอทําเสร็จแล้วก็กราบไหว้ขอรบสักการะบูชาแล้วกัพ่อกลับแล้วเด้นรูกนาวกันพระธาตุพระปิจิตรพุทธจะกลับแล้วพ่อก็เลยลากลับเมืองตะกัศีลานี่แหละอานิสงส์ของเรา ที่ได้บูชาพระเจดีพระประเจภพุทธเจ้าในครั้งนั้นละ่ะมาในคราวนี้เราไปที่เมืองภัยสาลีหรือเมืองกรุงราชนคืออย่างพวกท่านทั้งหลายเห็นอันนี้สงอันนั้นละ่ะอันนี้สงของเราได้บูชาพระป ร, ระเจภพระธาตุพระประเจภพุทธเจ้าในครั้งนั้นไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเราสถาคดได้เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เราสถาคดได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะอันนี้สงทาน เนี่ยที่เราได้ทําในคราวนั้นเนี่ยแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะอันนี้สูงแห่งทานเนี่ยมันมันมองไม่เห็นอกมันเป็นพลังนะเป็นพลังทางด้านจิต ด, ด้านใจของพวกเราบาปอากุศโก็เหมือนกันนะบาปอากุศโก็อย่าไปทำเลยบาปอากุศโสนถ้าทำลงไปกับาปติดตัวกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่เมื่อท่านพระพุทธเจ้าของเราท่านทํากรรมดีได้บูชากระดูกลูกชายของท่านลูกชายของท่านก็เป็นพระประเจ้พุทธเจ้าเนี่ยอันนสงสจะติดพบติดชาติมาถึงครั้งพระพุทธเจ้าอั น, นิสงก็ยังนํา ม, มาถึงนํา ม, มาให้ผลที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติสุดท้ายพระพุทธองค์บุญกุศลนะั่นยังตามมาให้ผลเพราะนั้นสิ่งชั่วก็ดีสิ่ง ที่มันไม่ดีกว่าดีนีอย่าทําถ้าทํามาแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างที่เมื่อไม่นานมานี้หลวงพ่อได้พูดพูดแต่หลวงพ่อเองไม่อยากจะพูดในวันนี้หรอกเอแต่ก็เฮอที่จะพูดให้ฟังเพื่อเป็นการเอเรียนรู้เพื่อการศึกษาอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ออกหนักอกหนักใจแต่พอให้ฟังให้เป็น แนวทางแลว้วบพวกเราเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เ, เพราะว่าสิ่งไหนก็ตามสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทาเฉลยดีกว่านะลูกหลานนะหลวงพ่อมีแต่พูดเพียงแค่นั้นแหละอพอทำไปแล้วมันไม่เป็นผลดีแต่ผู้ที่ทำเขาก็คงทำให้เพื่อสะใจนะด่ามันเลยเ อ, อย่างนี้แหละ เ, เมื่อไม่นานมาใ น, เ, นเมื่อสองสาวันนี้หลวงพ่อเมื่อวันก่อนมั่งหลวงพ่อได้รับจดหมายบัตรสนเทศ แต่ขึ้นหน้าเขาพิมพ์จ่าหน้าซองเลยว่ากรรมฐานกรร ม, มถอกกรร ม, มหลอกเอาเงินเขาวะนะ เ, เ, ขเขาเขียนขึ้นในจ่าหน้าซองหลวงพ่อเห็นแล้โอ้โหมาอีกแล้ววัก <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็มีอีกมีฉบับนึงแล้วนะมาหลวงพ่อก็ได้ฉีกทิ้งอหลวงพ่อเนี่ยนะฟังนะั้นคณะกรรมกาศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะท่านหลวงพ่อเห็นบัตรสนเทมาเนี่ยหลวงพ่อยิบมาก็อ่านอ่าน อ่านโ้เขาด่าหลวงพ่ออินไว้ไอ้พอด่าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ฉีกทิ้งนะไอ้หลวงพ่อจะไม่อ่านเป็นรอบที่2ท่านอ่านที่รอบที่2ก็จะด่าหลวงพ่ออีกเลยดล้วอ่านครั้งที่3ามก็จะด่าอีกรอบเขาโอ้โหขมข่าวะส่งไปให้จดหมายไปให้หลวงพ่ออินนี่หลวงพ่ออินด่าทั้งสีอ่านทั้ง3 4มี่หครั้งตปว่าด่าหลวงพ่ออินพอในสุดหลวงพ่อก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเลยสินี่ อโมโห โ, หโหกธาเขาไปมาเส้นเลือดแตกเขาจะบอกโว้คุ้มค่าคุ้มค่าเพราะเจ้าวาอย่างนั้นอีกเชื่อเพราะะนั้นหลวงพ่ออ่านอ่านเลยโอ้มันไม่เป็นความจริงไงหลวงพ่ออ่ า, ออานแต่พอรู้เรื่องหลวงพ่อไม่ให้ใครอ่านอีกต่างหากนะฉีกทิ้งอฉีกทิ้งเลยเอถ้าข่าอ่านอีกเขาจะด่าอีกครั้งที่สองนะองหลวงพ่อก็เลยฉีกทิ้งนะเนี่ยนี่หลวงพ่อก็ว่าอลูกด่านนะ หลวงพ่อก็ไม่ใช่อยู่สวรรค์ชั้นพรมอะไรถ้ามีอะไรก็มาถามกันก็ได้อันนี้ทําไมด่าลหลวงปู่ลีด้วยหลวงปู่ลีอายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วหลวงพ่อจุภุไทด้วยหลวงพ่อสุดสใจด้วยหลวงพ่อจันเรียนด้วยอได้หลายหลวงพ่ออยู่่หลวงพ่ออินนีด้วยเพราะั้นใะหลวงพ่อได้เห็นแล้วออลูกหลานนีทํำยัำยงไงเ อ, อทําไมไปหาหาบาปใส่หวัวตัวเองอย่างนั้นลูกหลานเลยวะ ถ้าทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเคยมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปจากกรุงเทพนี่แหละไปถึงสนามบินญาติโยมก็เลยกลุ่มมาถามเออหลวงพ่อมีโยมคนหนึ่งดูถูกหลวงพ่อนะพวกเราก็บอกว่าอย่าทำอย่าพูดอย่าพูดผลที่สุด ก, ก็เลยเออาเจียน เ, เ, เ, เป็นเลือดตา ย, ยในห้องคนเดียวกันพวกเราก็เลยคิดว่า อาจจะมีส่วนบางที่ดูถูกด่าหลวงพ่อองให้ยังไงกับพวกผมขอให้หลวงพ่อให้อภัย เ, เขาด้วยอย่าให้เขาเป็นบาปเป็นกรรมที่เขาได้พูดความไม่จริงแต่ผมพวกเราก็รู้ว่ามันไม่จริงแต่เขาก็ยังมาจริง เ, เขาก็เลยด่าเขาเลยพูดพวกผมก็เลยเห็นว่ากลัวเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่เขาก็ตายไปแล้วล่ะ เพราะนั้นขอให้หลวงพอ่ออาโหสิกรรมให้เขาด้วยหลวงพอ่อเอ้ยหลวงพ่อไม่ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดแต่ว่ายพระสวดมนต์หลวงพอ่ออย่างแผ่เมตตาอยู่แล้วข้าวไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขดวง ด, ดวงวิญญาณใดก็ตามขอให้มีความสุขต้องการความสุขเราต้องการความสุขอย่างใดดวงวิญญาณนนะั่นก็ขอให้มีความสุข อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณโดยเทิดอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาของหลวงพ่ออยู่แล้วหลวงพ่อจะไปผูกพยาบาทอาคาตจองเวน เ, เดือดร้อนทําไมเพราะทุกคนมันมีบาปมีกรรมอยู่กับตัวเองอยู่แล้วทุกคนก็นมีกรรมของตัวเองอยู่แล้วยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แล้วทําไมยังจะไปหา ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับเขาะแต่ตามไม่จริงที่เขาด่ายอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ว่ามันก็สมควรตายเพราะกรรมของเขาเหมือนกันนะทําไหมทําไมมันเรื่องไม่เป็นจริงทําไมไม่มาถามไปทําไมไปหาดูถูกไปหาทำอย่างนั้นมันก็สมควรตายแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้อย่างพระปฏิเจกอย่างพระพระเทวทัศน์ก็เหมือนกันพระเทวทัศน์ พ่อพูดให้เจ้าวบวชให้แท้ๆพ่อบวชให้แล้วกันนะ่ะจนมีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากเหาะได้ได้พระเทวทัตเนาะเหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากนะพ่อได้ได้ฌานโลกีนะ่ะได้ฌานโลกีจากนั้นก็ไปสมคบกับพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นกุ ม, มารเป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสาร น, นะก็ไปยุโยงเนาะเอะพิมไอ้พระเจ้าพิมพิสารก็ยังหนุ่ม อ่ า, อ า, ชาชาติตูก็ยังเป็นหนุ่มถ้าปล่อยให้พ่อตายซะก่อนเนี่ยพระ อ, องค์ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อแก่จะปิดประโยชน์อะไรสําเร็จโทษซะฆ่าพ่อซะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินยังหนุ่มจะดีกว่าอ่าพระเท ว, วทัตนะอายุยงให้พระเจ้าชาติตูเนี่ยฆ่าพระฆ่าพระเจ้าพิมพ์ิสารอย่างพวกเราไปเห็นเมืองอินเมืองพระอินเดียนะพวกเราไป จะได้รู้วันนี้คุกพระเจ้าพิมพ์พิสารขังอยู่ตรงนี้ในขาวานนะแต่นั้นก็ก็ได้สํำรัจสําเร็จโทษจริงพอจากนั้นก็ตัวเองก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้าไปเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวทัตไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยก็สมคบกับพระเจ้าซาสตร์โตร อ, อีกจะแก่ฆ่าพ่อเราก็จะฆ่าพระพุทธเจ้า เ, เราจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระเจ้าซาสตร์ตัวก็เห็นด้วย พอที่สู่กันนี่ยแหละไปสมคบกับพระเทวพระเจ้าอาซ่าศัตรูขอนายขมังธนคูคำว่าขมังเข้ามาไปนางขมังธนูไปยิงพระพุธทธเจ้าให้ไปยิงพระพุธทธเจ้าด้วยนะชื่นเอานายขมังธนูพระเจ้าอาซาศาัตรูนัจัดให้เพราะเป็นลูกพี่ใช่ไหมล่ะจัดให้จัดจัดให้จัดนายขมังธนูคําว่าขมังไปว่ามือหนึ่งของประเทศแบบนั้นแหะ ยิงแม่น อ, อ, อาพลุสอนแล้วกั อ, อไปแล้วก็บอกแล้วจะไปบอกนี่นะตอนตีสนะี่พระพุทธเจ้าส ม, มณะองค์สูงสูงรูปงามๆแล้วหนะอ่อๆเดินออกมาจากพระคันทุกฤษีมาอยู่จุดนี้แหละเดินเดินมาจุดนี้แหละให้เธอให้เธออยู่จุดนี้นะ อ, อพอเดินผ่านมาก็ยิงเลยป อ, อ, อยสอนเลยลูกศอนเลยยิงเลยนะ พอยิงเสร็จแล้วนะให้กลับให้เดินออกไปทางนี้นะเดินไปทางนี้นะอย่าไปทางอื่นนะเดินไปทางนนะี้จากนั้นก็ไปจ้างนายคำวังธนูอีกสองคนเนถะถ้าเห็นคนเดินมาเวลาเท่านั้นนะประมาณาตีสี่ตีสี่กว่ากวาถ้าเห็นมาอะไรไม่ต้องถามว่าเป็นใครนะให้ยิงเลยนะอสองคนนะยิงคนหนึ่งพอจากนั้นกัไปเอาสี่คนอีกสี่คน เวลาเท่านั้นนะเวลาเห็นสองคนมานะไม่ต้องถามมาเป็นใครนะเดินมาไอย่ยิงเลยสี่คนปอ ม, มาเอาไปจับเป็นแปดคนอีกนี่เาเรียกว่าฆ่าตัดตอนนะนะจนถึงสิบหกคนน ะ, ะถึงสิบหกคนก็นเตรียมไว้อีกจะนให้ฆ่าแปดคนเหมือนกันอ่ะสองคนต่อคนหนึ่งจากนั้นก็อนเออ พอวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออเอานายขมังธนูไปเตรียมพร้อมเลยทีนี้เออทีนี้นายขมังธนูนั่นก็พระพุทธเจ้ า, จาออกมาเดินพระพุทธอง์พระพุทธเจ้ า, จารู้แล้วใช่ไหมจะไปกลัวและลูกศรใช่ไ้มล่ะเออพราะท่านชาตินี้ท่านจะไม่ไม่ปรินิพานด้วยลูกศรนคองใครใครจะเบียดเบียนยังไงแปว่าชาตินี้เป็นชาติที่พระพองค์ สยามภูรู้แจงโลกชนะทุกอย่างแล้วภาษาอะไรลูกลูกศรใช่ไหมล่ะเออทีนี้องค์ออกมาตามปกติท่านก็รู้แล้วนายขมังธนูเห็นแล้วยกลูกศอนขึ้นไปกับปล่อยเลยรแล้วคิดว่าจะปล่อยให้ปักใส่พระพุทธเจ้าเลยนะพอยกลูกศรขึ้นมาท่านนั้นก็ปล่อยลูกศรใไม่ไปเลพระองค์แสงดงฤทธิ์ทีนีน อ, อใครข้าวจยกลูกสรเข้าไป ปล่อยลูกศรไม่ไปกับน้าวอยู่อย่างนั้นแต่ให้เขาเยืนอยู่นั่นนะปล่อยลูกศรไม่ไปอก่งลูกศร อ, อยู่นะจนสีข้างโกง่งน้ําลายไหลถ้ามันมันยกลูกศรมันหนักไงลูกศรมันหนักไงยกอมือลูกศรพอเสร็จเรียบร้อยแล้วกันพระองค์ก็เห็นว่ามันพอนั่นแหละกันทำไอ้เป็นไง สอนอพรานเธอทำอะไรโอ้โหแกก็บอกก้อย เ, เขาบอกให้ฆ่าพระองค์มามายิงมายิงท่านยิงทำไม เ, เราไม่มีทิศมีภัยกับใครทำทำไม น, นี้มันเวรมันภัยนะการฆ่าคนอื่นมันดีไหมฆ่าแล้วคนฆ่าฆ่าเธอนะ่ะมันดีไหมคนที่จะมาเธอเธอยอมไหม ไม่ยอมครับจะไปฆ่าคนอื่นเหรเขาจะยอมไหม เ, เพราะฉะนั้นอย่าฆ่าสอิอย่าไปคิดฆ่าคนอื่นนะอย่าไปทําอีกเพราะต้นเกษตรแสดงทําให้ฟังพอแสดงควาให้ฟังเขาได้สําเร็จพระโสดาบันไงพอได้สำเร็จแล้วพระโสดาบันพระองค์บอกไปไปทางนี้ไปทางนี้นะจะไปกลับทางนู้นนะไอนายคำมังธนูเนีก็ไปอีกทางหนึ่ง ไอ้สองคนมันก็นั่งคอยก็ไม่เห็นใครมาพอเห็นมามาเห็นใครมามันเขาว่ามันคนมาทางนี้นะไปตามไปดูไปตามไปพบพวกพุทธเจ้าอีกพุทธเจ้าสอนอีกได้สําเร็จพระโสดาบันไปอีกอ ก, กลับไปทางทางพันนายขมังธนูคนแรกไปพอได้ส่งพวกถึงสิบหกคนกันหลังไหลามานะียหลังไหลามาตามเนี่ยนเะพราะมันไม่ไม่เห็นคนมาเนี่ยว่าจะมันคนมันจะมาทางนี้แต่ไม่เห็นเนะี่ย มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะเขาพรเขาว่าจ้างเขาอย่างเด็ดขาดได้ทําไมไม่เห็นจากนั้นพระองค์ก็เดยแสดงทำให้กับพวกนายขมังธนูเหล่านั้ น, นต่างก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลแปลว่าในคราวนั้นกับเทวทัตกับอศาชาตศัตรูก็เลยฝ่าวไปแบบ น, นั้นแหละนี่แหละไม่ใช่ธรรมดานะเทวทัตนะเนี่ยจากนั้นก็ปล่อยช้างนาฬาคิริงเอกเออช้างนาฬาคิริงเป็นช้างศึกนะเออ ถ้าว่าเกิดศึกสงครามเข้ามาว่าเอาไม่ชนะนะ่ะเขาจะเอาช้างให้ช้างตัวนี้ให้ให้กินน้ําให้กินเหล้านะ่ยเอาเหล้าเหล้าสายโทนะเนี่ยเหล้าหวานเนะี่ยให้มันกิน8ดสี่กระออมพอแรงเลยให้ให้กิน8ดกระออมแต่คราวนี้เขาจะให้ขยี้พระพุทธเจ้าให้มันเป็นบ้าเลยเพราะงั้นเลยเอาให้กินทั้ง16กกระออมเห็นไมนะ้มล่ะอให้ช้างตัวนั้นกินพอกินเสร็จแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยช้างช้างกับปีออกมาเลย พระอานนุ์พร้อมกับพระสงฆ์พระ อ, อ น, นุลเดินบินถบาทตามหลังพระพุทธเจ้าเห็นช้างปีมาเถาอะเนยพระอานุลเกิดเอ้ยช้างเออเคยเจ้าจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าต้องฆ่าเราก่อนวะนั่นเห็นไหมเนี่ยพระอา น, นุ์ขนาดนั้นแหละคล้ายๆกับว่าปกป้องเอ่อหลุมมครูของตัวเองเยอมตายเหมือนกันเถอะกระโดดออกไปขวางหน้าเลยให้ช้างมาเหยียบฆ่าก่อน พระพุทธองค์ท่านมีอิทธิฤทธิเอ้ยอานนท์ตามหลังเป็นเรื่องของเราเองแล้วเราจะเร็วเราจะจัดการแล้วเราทำเองเอบันดาลให้พระอานนท์พระอานนท์ก็ไม่ยอมนะพะพระพุทธองค์ได้ใช้ฤทธิ์อีู่เหมือนกันใช้ฤทธิ์ให้เขาาดึงแขนพระอานนท์ไปอยู่ทางหลังพนะอพระพุทธองค์เดินไปทางหน้าช้างก็วิ่งปีกเข้ามาเอ้ยช้างนาราคิรี เธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สิบในอนาคตเธอจะทําอย่างนี้เธ อ, เอต้องมีเมตตาพอช้างได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตัวนั้นน่ะหมอบกาบเลยโอ้โหพระองค์ก็เอามือไปอแตะที่กระปองหัวมันไปกลับช้างต่ว น, นั้นก็เลยหันหันหลังกลับหายก็ทั้งเมา่เนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าชนะละช้างนาลาคิริณอย่างพวกเราสวดพระหุงเมื่อกี้น่ะ นาาคิริงกสวัลังเนี่ยนี่แหละอันนี้คือพระพรุทธเจ้าชนะ ช, นช้างนาลาคิริงนี่แหละอันนี้ก็คือตอนสุดท้ายจ้ะนี่พระเทวทัศน์บอกว่าอาพระพุทธองค์อายุมากแล้วอายุแก่แล้วตัวเองก็แก่เหมือนกันนะอายุเท่าเทกันกับพระพุทธเจ้าแต่มันมองไม่เห็นกิเลสมันมองไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นแต่คนอื่นแก่นะแต่ตัวเองแก่มันมองไม่เห็นพระพุทธองค์อายุมากแล้วแก่แล้ว ควรจะหยุดปกครองสงในแล้วไปเจ้าค่ะค่าพระองค์จะเป็นผู้ปกครองสงแทนก็ได้นะเท ว, วทัศน์ไม่ใช่ธรรมดานะปากหวานแต่ใจมันยิ่งกว่าอะไรพระองค์รู้นเนี่ยพร ะ, ระพระุทธเจ้าทำไมจะไม่รู้เรื่องกิเลสใช่ไหมอันนั้นก็คือกิเลสทั้งรุ่นเน่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมนเนี่อท่านได้ตัดจะรู้นะท่านเป็นธรรมท้งหม อ, ก, อก่อนเท ว, วทัศน์ดูก่อนเท ว, วทัศนะ์ เธอเน่ยจะมาปกครองสงฆ์ได้ยังไงเธอเหมือนกับมีเสเลดขี้เถอรตัวหนึ่งตนเองจะมีคุณธรรมอะไรที่จะมาดูแลพระสงฆ์มาดูแลสงฆ์งได้เธอจะเราจะพิมอบให้ขี้เถอรได้ยังไงลักษณะอย่างงั้นนะเทวทัตได้ยินคำนี้นะโมโห อ, อ, อ, อย่างแรงเหมือนกันนะไม่รู้จะทํำยังไงหัวฟัดหัวเวียงแต่พูดอะไรไม่ได้ ต่อมาเลยกับเอาอีกหาเรื่องอีกอพอหาเรื่องคราวนี้พาพุดแต่เจ้าขา่าภาพิสูจองค์ใดอยู่ป่าให้อยู่ป่ า, าพวกพาพภิกษุอย่าฉันเนื้อฉันปลาเา้าองค์ฉันเนื้อฉันปลาไม่ได้ขาดเมตตาพระองค์บอกว่าเราไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นองค์ที่อยู่ป่าก็อยู่ป่าได้องค์ที่อยู่อยู่เมืองก็อยู่เมืองได้องค์ที่ฉันเนื้อฉันปลา ก็ไม่ได้ชันเนื้อชันปลาไม่ได้ฆ่าเนี่ยสามอยา่างไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ว่าเขาจะฆ่าเพื่อเราเขาฆ่าเขากินเองเขาฆ่าเขาตามชาวบ้านตามประเพณีของเขาเป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งทำไม เ, เมื่อเขาเอามาถวายจะเป็นผู้เลี้ยงยากได้ยังไง เขามาถวายยังไงกดรับอย่างนั้นทันอย่างงั้นฉันไปให้มันจบจบไปเป็นวันวันเออไปหายุ่งทําไมเออเราไม่เห็นด้วยพระพุทธองค์ตรัสอยางนั้นพระเทวทาราชบวชออกมาประกาศเลยพวกพวกพระใหม่ทั้งหลายพวกพระใหม่ทั้งบวชทั้งห้าร้อยใช่ไหมเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้านไม่จริงจังไม่จริงใจปากว่าตาขยิบเห็นไหมไม่ฆ่าสัตว์ ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทางสมาติยาไม่ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ตัวอินแต่ตัวเองกินเนื้อสัตว์เท็นไหมแปลว่าไม่จริงจังไหมใช่ไหมไม่จริงจังและไม่จริงใจใช่ไหมเราเนี่เทวทัศน์เนี่ยประกาศว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่างหากพวกท่านทั้งหลายสมัครก็ว่าใครจริงจังกว่ากันใครเป็นธรรมกว่ากันอพวกพระบวชใหม่โอ้ยใช่อาจารย์เทวทัศน์นี่แหละ เป็นผู้อจริงจังและจริงใจเป็นธรรมกว่าสมัครเป็นลูกศิษย์เทวทัตถึงตั้งห้าร้อยเนี่ยไปกระเทวทัตลูกเทวทัตจุงจมูกไปหมดเลย <c oughs> ไปอยู่นู่นอยู่ในเมืองกรุงกรุงราชคฤห์ทวนนะออยู่เมืองก า, กาลศิลาทวนนะอที่อยู่ของเทวทัตน่ะตะนี่นนนก็อยู่ไปอยู่ทางนู่น น, ะนี่พระองค์ก็บอกโอ้พระสงฆ์ทั้งหลายพระใหม่เนะี่ย ยังไม่รู้เรื่องหลักธรรมวินัยอันไหนควรไม่ควรท่านเคยให้พระเทวทัตให้พระโมกขาราพ ร, พระสารีบุตรกับพระโมคขาราเหาะไปน ะ, ะไปกับไปแนะนําสั่งสอนพอพระเทวทัตเห็นพระโมคขาราสารีบุตรเท่านั้นละ่ะโอ้อะจะมาเป็นลูกศิษย์จะมาเป็นอัครสาวกของเราแล้วเหรอโมคขาราสารีบุตรเอาดีล ะ, ะเพราะว่าอคล้ายกับว่าลืมตัวน ะ, ะความลืมตัวของพระเทวทัตนะ เขียนพระศีริพระอ克拉สาวกไปก็จะวามาเป็นสวาสิพิพากกับตนเองนะเพราะตัวเองมีบริวารมากเลยเนะี่ยไม่แพ้พระพุทธเจ้าแล้วทนะ่าอพระโมกขาลาสาเรีบวจนกันนิ่งเฉยตอนนี้พระโมกขาลากับบรรดาลให้บรรดาลให้พระเทวทัต น, นอนหลับเสร็จแล้วป่ะนะเนี้ยอ้าวจังวะคือพระพุทธเจ้ามีเวลาเห็นพระสาวกมาเนะี่ยท่านบอกเออเอา โมคขลาสารีบุตรกัะจา ย, ยานะแสดงธรรมนะแล้เวเราขอพักพรก่อนฮะอันนี้ก็คือเป็นลีลาแล้วว่าเป็นแนวแนวปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไปกลางพระสงฆ์ทั้งหลายก็กลางม่านข้างหลังอย่างนั้หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้น่ะแต่พระพุทธเจ้าก็กลางม่านจักรหลังก็ไปบรรทมจัดที่พักให้พระพุทธเจ้าบรรทมพักผ่อนนะเพราะพระองค์ เปลี่ยนอริยบทแล้วก็พระลูกศิษย์เกิดเทศนาว่าการนะแนะนําสั่งสอนประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนต้องการฟังฟังธรรมเทศนาเมื่อฟังจบแล้วพระองค์ออกมานล้เออถ้าพระสงฆ์ทั้งหลายศรัทธาญาิโมทั้งหลายถ้าเราตถาคตแสดงธรรมก่อนเนี่ยแสดงธรรมอย่างที่กัจจายชนะแสดงนี่ล่ะหรือโมอกคลาสาริบุตรแสดงนี่ล่ะหรืออานน์แสดงนี่แหละแบบเดียวกัน เรารับรองลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พระเทวทัตก็เห็นเห็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะตัวเองเห็นพระโมกขาราสาริบุตรมากเออเอา้าท่านโมกขาราสาริบุตรแสดงทำแทนเรานะเราจะพักผ่อนอใช่ใช่ก็ทำอากับกิริยามเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้านะัา่นจากนั้นพร ะ, พระสาริบุตรกับพระโมคขาราเนี่ยนะนะท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์อยู่แล้วนะ่ยท่านบันดาลให้ภาษาลิบ พระเทวทัตนอนหลับทีนี้ใช้ฤทธิ์ก่อมให้นอนห ล, ลับเทวทัตนอนหลับอพระเทวพระโมกคลาก็สอนลูกศิษย์พูดเสียงดังเท่ากัไม่ได้ยินนะเทวทัตนอนหลับพราะับด้วยฤทธิ์ของพระโมกคลาใช่ไหมนะพระสงฆ์เท่านั้นเข้าใจโอ้ใจ อ, อพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมด้วยได้เห็น เ, เห็นใครเขาว่าเข็นเขาจะฆ่าสัตว์เพื่อให้เรากินเี่ย อย่าไปกินถ้ากินนะปรับอวบถูกกฎถ้าได้ยินได้ยินว่าเออเขาพระสงฆ์มามากนั่นเราค่าสัตว์ค่าปลาฆ่าไก่เลี้ยงพระสงฆ์เถอนะเดี๋ยวพระอาหารจะไม่พอกินถ้าพระสงฆ์ไปกินไปทานอาหารไปฉันอาหารที่เขาได้ยินเขาพูดอย่างนั้นปรับอวบถูกกฎถ้าสงสัยเอตกรบินทบดไม่เคยมีแต่คราวนี้บินทบาดเห็นพระสงฆ์มามากเขาคงจะฆ่าบัวฆ่าควายฆ่า ไก่ฆ่าปลาให้พระเลี้ยงพระมั่งพระไปฉันป ร, ปรบับอติทุกกฎด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยสงสัยถ้าหากว่าเรานอกออกจากกฎระเบียบนี่แล้วฉันได้ถ้าอยู่ในกฎระเบียบนี้ห้ามฉันพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นจึงนี้พระโมกขลาสาริบุตรท่านก็แสดงธรรมโปรดพระสงฆพระบสงฆ์เห็นด้วยว่าการที่พระเทวทั พูดผิดพระสงค์ย อ, อมรับพระโมคขาลากรสาริบุตรพระโมคคลาเออปะพวกเราจะไปไหมจะกลับวัดเชตวันไหมกลับครับจะจะกลับรู้ยังไงอ่อเดี๋ยวเราจะพากลับอพระโมกขาลากับคำเหมนกับบรรดาลให้เหมือนกับเครื่องบินนี่ใช่ไหมล่ะให้พระสงค์เหล่านั้นเหาะได้ทุกทุกองคือนั่ง นั่งยานรัฐสนะของพระโมกขลานะพระโมคขลาพาพระสงฆ์ตั้งห้าร้พร้อมกับภาษาลิบุตรกลับมากราบพระพุทธเจา้ามาทางอากาศเลยพันนะ้คนเะพอเทวทัตตื่นมัวเมียขึ้นมาทีนี่คายฤทธิ์แล้วนี่ก็เห็นวาพระสงฆ์ทังหลายหมดห น, นีออกไปหมดแล้วโกกาฤทธิ์โมโหให้อาจารย์ว่นะ่ยพวลูกศิษย์ใกล้ศิษย์เลยลกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเทวทัตเลย อาจารย์ทํำไมไปหานอนไปไว้ใจเขาได้ยังไงนี่ออาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์เทวทัตโง่มากเอยโผล่ใสู่กับลูกศิษย์ก็ไม่ใช่ธรรมดามันกันนะอะโมโหอาจารย์ก็ไม่ใช่ธรรมดาน ะ, อะกอดคอเข้ามาแล้วเข่ากระทุ้งหน้าอกของเทวทัตจนเลือดอาจเจียนออกปากของเทวทัตมันนะลูกศิษก็ลูกศิษจริงๆนะหลวงพ่อว่านะเอะกอดเ ข, ข, ข่ากอดคอตีเข่ากันนะ เทวทรรัตอาจเจีนเป็นเลือดพออทุกข์ใจอยู่แล้วพราะในสุดเทวทัตก็เลยป่ว ย, ยก่อซอกกะระแสมาเลยท่นี้พอป่วยขึ้นมาคิดถึงพระพุธธทธเจ้าได้ท่านนี้โอ้เราเนี่ยเกินไปใช่แล้วพอป่วยหนักเข้าไปไม่รอดนะขราวนี่คิดถึงพระพุธธทธเจา้าโอ้พาเราไปกราบพระพุธธทธเจ้าด้วยเท่านพาส่งนั่นเล ย, เยจะฆ่าพระพุธธทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้ง แล้วจะไปหากราบพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่พาไปไอายเที่ทยวถัดไม้เทพ่ยวพระพุทธเจ้านะท่านไม่มีไม่มีคำว่าพยาบาทอาฆาตจองเวรกับผู้ใดใครทั้งหมดท่านรักพราหมณ์อย่างไรก็รักทุกคนอย่างานักพราหมณ์เพราะพระพุทธเจ้าจิตใจเป็นสแตนตดาร์ดไม่กระเพื่อมไม่วันไหวมีเมตตาต่อสรพสัปปตตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เสมอกันหมดคําว่า กิจชาพยาบาทในใจของพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้พาเราไปเถอะไม่เป็นไรอย่าพระพุทธเจ้าสม่ำเสมอท่านมีเมตตาอยู่แล้วแต่นี้ก็พระสงท์ท้งหลายพระเทวทัตอ่อนวอนต่หลายครั้งต่อหลายหุน่นเอาไปก็ไ ป, ไปแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อพระเทวทัตที่แยกพระสง์ออกไปน่ยพระเทวพระเทวทัตประกาศเนีประกาศบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะแยกตัวออกจากพระพุทธเจ้ า, าจะไม่มาเคารพนบน้อมไม่นับถออออือกับพระพุทธเจ้ า, าอีกต่อไป เ, ออเราจะไม่มากราบมาไหว้ไม่มาเห็นพระพุทธเจ้ า, าอีกต่อไปตั้งแต่บัดนี้พระเทวทัตประกาศเองเลยเนี้พระองค์บอกว่าอนนี้เขหามพระพุทธเจ้ า, าหามพระเทวทัตมาถึงใส่ หามมาสี่คนหามคนละเตียงเน่มันเทวทัตนอนอยู่เตียงแต่แค่หามมาหามมาพระพุทองค์บอกว่าพระพุทธเจ้าข่านะเขาหามเทวทัตมากราบพระพุทธเจ้านะอกําลังหามมาอยู่เนี่พระุทองค์บอกเอยเทวทัตขาประกาศแล้วตั้งแต่เมื่อเขาแยกแยกจากเราในวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่มากราบมาไหวเขาจะไม่เห็นเราจะไม่เขาจะไม่เห็นเทวทัตไม่เห็นเราจถาคตเพราะนั้นเขาประกาศเอง อมาก็ไม่เห็นหน้าหรอกไม่เห็นเราแต่ถาคตมาก็ไม่เห็นมาก็ไม่เห็นเขาก็หามาอีกไกลๆอีกเอมาเดี๋ยวนี้มาถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วพระเจ้าข่าพระเจ่าระเลยมาใกล้ก็ไม่เห็นออพอเน้นสู่กเ็เลยมาจนถึงหน้าวัดป่าเชตะวันอะมหาวิหารมันมีสระน้ําอยู่หน้าวัดใไหมแอเป็นสระน้ําอยู่พอจากนั้นมาเขาก็ พวกพระทั้งหลายที่หามมาเขาคนเหนื่อยเหงื่อแตกเหงื่อไหลไงพราหามคนนะหามคนทั้งเป็นน้ํามแต่แค่มาเขาลเลยพวกเราไปอาลงไปอาบน้ําก่อนถูกไหยังค่อยพาเทวพระอาจารย์เทวดาทัดเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าอพอว่าท่านั้นพวนี้กันเลยวางเตียงลงข้างสระน้ําพระสงฆ์เท่านั้นพระสงฆ์ที่หามมากันลงองค์ไปอาบน้ําในสระชําระกายซะก่อนเพราะมันมันร้อนเหมืเหงื่อแตกเหงื่อไหลไง พระเทวทัตกะพอเห็นพระสงฆ์เหล่านั้นลงไปอาบน้ําตัวเองเลยมาถึงวัดป่าเชตตะวันนล้ทีก็ เ, เลยลุกขึ้นมานั่งพอมานั่งแล้วก็ย่อนขาลงเนี่เหมือนกับลวงพ่อนั่งอยู่ในเตียงนี่ยย่อนขาลงไปในเตียงเนี่ยนะพอย่อนขาตอนนั้นนะแผ่นดินดูดเลยทีแผ่นดินแยกเลยพอแผ่นดินแยกกันดูดพระเทวทัตพรเทวทัตตกลงไปในในแผ่นดินแผ่นดินแยกใช่ไหมพอแยกลงไปเลยหลายหลา ย, ล, ายลงไปไปถึง เ, ออเพียงเอวเพียงอกเพียงคอนะออไปถึงคอพอถึงคอเทวทาัาน์กโ อ, ออ่าพระพุทธองค์เป็นผู้มีเมตตาแต่ข้าพระองค์ได้ล่วงเกินกระทำต่อพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระพุทธองค์จงโปรดโอ้โหสิให้กับข้าไปเจ้าด้วยเทินข้าไปเจ้าไม่มีสิ่งไหนที่จะบูชา คารวะพระพุทธเจ้านอกจากขากันไก่คือคางแท้เลยข้าพเจ้าขอเอาคางเนี่ยเป็นขิงเคารพสักการะพระพุทธเจ้าด้วยเทินจะให้ข้าพเจ้าได้รับบาปรับกรรมต่อไปด้วยเทินขอกาบคารวะพ่อว่าเทานั้นกับแผ่นดินจะสู่พลบลงไปจากนั้นก็ปิดปลบเทวทัตก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกเลย ตกไปไปอันอเวจีเอเเอเป็นตัวบาบใหญ่ขึ้นมาอยู่ในเอเวจีเนี่ยท่านเขาบอกว่าเออท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกท่านบอกเหมือนเหล็กเทวดัต้่งคงจะคงจะตัวใหญ่ขึ้นมาทีนี เ, เพราะกรรมกรรมจำแนกให้ตัวเป็นตัวใหญ่ฮะเหล็กเท่าลำตาด์นะตาลใหญ่ขนาดไหนหมุนจากหัวลงไปสู่ทวารทะลุลงไปหมุนอยู่กับพื้น แล้หมุนหมุนสีข้างขทางขวานไปทะลุข้างซ้ายไปตึงกับฝาผานังนรกฝังผานังอลิเวียจียนแล้วกับลุงหนึ่งตึงตึงมาจากหน้าอกไปถึงหน้าทั้งหน้าทั้งหลังอีกหมุนไปทุนจักทุกตัวหมุนอยู่ตลอดพอหมุนคือแล้วไฟไหม้เพิบพอหมดเสร็จแล้วก็เป็นเทวทัศน์ขึ้นมาอีกหมุนอีกอยู่นะเพิบขึ้นมาอีก นี่แหละเทวทัตใช้กรรมใช้บาปใช้กรรมพระพุทธองค์บอกว่ากรรมของเทวทัตจะทำยังไงได้อพอเทวทัตสร้างกรรมเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ให้ตัวเองทำเทวทัตสร้างเองเอทำกรรมให้ตนเองที่เราตถาคตให้เทวทัตบวชเราก็รู้ว่าเทวทัตจะเบียดเบียนจะลังแก่เราแต่เราเห็นครั้งสุดท้ายเนี่เทวทัตจะเป็นผู้ยอม ออยอมว่าข้าพเจ้าออขอเอาคางครวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเทถินข้าพเจ้าขอสารภาพยอมผิดแล้วเห็นโทษแล้วนี่แหละเราตถาคตเห็นจุดนี้เท่านั้นเองที่เราตถาคตให้เทวทัตบวชแต่ถ้าว่าเราตถาคตไม่ให้เทวทัตบวชเทวทัตจะไม่เห็นคุณค่าและไม่เห็นไม่สัมมาคลรวะไม่ลาโทษไม่เห็นโทษเทวทัตนี่ ตกนรกจะไม่มีไม่มีเวลาไม่มีจุดเลยเไม่รู้นานเท่านานแต่นี่เถอะเทวทัตเขาเห็นโทษแล้ว เ, เขาเห็นโทษว่าเขาได้ทำผิดเขาเลยยอมสารภาพผิดในนาทีสุดท้ายาด้วยการคารวะหรือว่าการเห็นโทษของเขานี่แหละ เ, เขาจะได้เป็นพระพุทธพระปฏิเจเจ้าองค์หนึ่ง เ, เขาจะได้ ตัตรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต อ, อ่นี่แหละแต่ว่าเขาเมื่อเขาได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าในชาตินั้น่ะเมื่อเขาได้เป็นพระประเจกพุทธเจา้าปากของเขาจะเหม็นเหม็นมากเลยเวลาเขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเออใครๆต่อหน้ า, าพระประเจกพาเอาเมือปิดจมูกไม่ทันอะไรอั้นงเงนี่แหละคือบาปกรรมของพระเทวทัตเนี่ยอย่างใช้ไปถึงนูน่นเมื่อได้ตัด จะรู้เป็นพระปฏิเจกพพทธเจ้าแล้วยังกรรมยังให้ผลอีกนะเนี่ยนี่แหละกรรมชั่วอย่าทำเสดยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละสัพปะปาปัสสักรณนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งกุศลสูปราสัมปทานการสร้างกุศลให้พร้อมหนึ่ง สจิตตะประโยท่ปานังทำการทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนนังนี่แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นคณะสัาญญาตยายาจมลูกหลานนะเนอนี่แหละคือการสร้างบุญสร้างกุศลคิดดีทำดีพูดดีนะคิดยังไงจึงคิดดีคิดเป็นสัมมาทิฏฐิที่คิดดีคิดยังไงพูดดีพูดยังไง ทำดีนะทำยังไงในหลักของพุทธศาสนานะทำดนะีคือศินห้าสำหรับฆราวาสนะสินห้าประการไม่ฆ่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไม่คิดฆ่าไม่คิดขโมยเขาลบในสิทธิสามีภรรยาของคนอื่นแล้วก็ไม่กินเหล้าอันนี้ก็คือทำดีก่อนที่จะทำดีเราต้องคิดดีซะก่อนเมื่อเราไปฆ่าเขาแล้วเขามาฆ่าเรานะ เรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเราไปผิดลูกเมียของคนอื่นเขาไปร่วงเกินสามีภรรยาของคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกยังไงเขามาล่วงเกินสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปดื่มสุราขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วเราทาความชั่วด้ทุกอย่าง ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ผิดลูกเมียใครก็ได้โกหกใครก็ได้เออมันดีไหมทามันไม่ดีเราอย่าทำนี่แหละคือสินสี่ข้ อ, ข อ, ขอมีอยู่สี่ข้อนะแต่ข้อที่5าเนี่ยมุสาวาธาคือการกระทำทางวาจาอันนึงคือคิดสินห้านี่คือรักษากายวาจา กายก็คือร่างกายของเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่พืดฟิดในกามไม่กินเหล้ากายวาจาได้ก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อพูดหาสารประโยชน์ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามคนนั้นคนนี้หาเรื่องใส่คนนั้นคนนี้อั น, นี้แหละอันนี้วาจาอย่าทำซะเลยดีกว่านี่แหละคือศีลห้าถ้าใครมีศีลห้าประจา กายวาจาแล้วนั้นปเป็นคนดีแปลว่าคิดดีแล้วก็ทําดีแล้วก็พูดดีคนที่มีศีลห้าคิดดีทําดีพูดดีมีแต่ความเจริญถ้าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วเห็นอะไรก็ด่าไปหมดด่าไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควร<ม>เห็นพ่อแม่ก็ด่าพ่อแม่ เ, เห็นใครต่อใครเห็นสัมพณชีพรรม เ, เห็นเขา ได้ดิบได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาพยาบาทอาฆาตเขาล้วนแล้วจะเป็นผลทาง เ, เป็นกลุ่มของเทวทัตทางนั้นละ่ะ เ, เป็นหมเูเป็นแนวแถวของเทวทัตพาธรรมเพราะนั้นพวกเราคณะจตหาญาติโยมลูกหลานนะอันนี้เป็นแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะลูกหลานทั้งหลายมีแต่รรมหาเลี้ยงชีพธรรมหาค้าขายนะ ไม่ได้ศึกษาธรรมะแต่หลวงพ่อเข้ามาอยู่ส่วนในมาอยู่ภายในพระพุทธศาสนาได้เรียนได้ศึกษากได้นำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักตีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักบาปปุลคุณโทษนะนี่แหละขนาดพระพุทธเจ้าท่าน เ, เป็นพ่อของสุสิมะท่านก็ยัง เคารพลูกชายของท่านที่เป็นพระประัจเจกอา น, นิสงส์ก็ยังติดมาถึงครั้งพระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีคนยังเคารพนับถือเลื่อมใสพระ อ, องค์ท่านไม่ใช่เราตถาคตเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะไม่ใช่เราตถาคตเป็นพระพุทธเจ้านะอา น, นิสงส์เราตถาคตที่ได้ปนนิบัติทําบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าสุสิ ม, มะที่เป็นลูกชายของเราในชาตินั้นนี่แหละ อเนกสงบนุสสุนติดพบติดชาติในคณะสัตยาญาติโยมถ้าทําบาปบาปก็ติดพบติดชาติเหมือนกันถ้าทําบุญบุญก็ติดพบติดชาตินีกรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นการกล่าวแนวความคิดให้กับพวกเราคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง ก็เป็นแนวทางสําหรับให้พวกเราได้คิดได้ศึกษานะและก็วันพุ่งนี้นะถ้าเป็นไปได้อย่าอย่าลืมท่านใดแต่มีมีโอกาสนะหาโอกาสจะนิหาได้ยากวันพุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของพวกเราก็ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแต่พระพุทธเจ้าท่านไปสร้างบุญสร้างกุศลกับพระลูกชายของท่านท่านก็ยังติดภพกิจชาติแล้ววันพุ่งนี้เรามาสร้าง หล่อรูปเหมือนเจ้าพระคุณตั้มเดจพระสังฆาราชที่เป็นสังฆร า, าชาเป็นประธานสังฆร า, าชากับพวกเราพวกเราจะไดเ้เป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาติเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะาการกล่าวสมุดธนิยกถานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนัทธไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ บุญบารมีของเจ้าพกุลสมเด็จพระสังฆราชที่พวกเราจะได้หล่อวัพวนพงนี้บุญกุศลขององค์หลวงตาของพวกเราที่ท่านมีเมตตาต่อสิตญาณุสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอให้คุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านด้วยเทอญ